ขนาดศรัทายญาติโยมไม่มากแต่พวกเราเอาแค่นๆในน้ำปานี้นะถ้ามันมากมันหลวม อ, อวันนี้เอาน้อยๆสร้างบุญสร้างกุศลสำหรับตัวของพวกเราเองในช่วงนี้เป็นช่วง หน้าฝนไม่ว่าส่วนรัฐการไม่ว่าส่วนท้องถิ่นก็ต่างคนก็ต่างมีภาระธุระของใครของเราแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเราได้จัดในคราวนี้ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นความคิดของ พวกผู้ใดใครผู้หนึ่ง เ, เป็นความที่เราก็ขอเป็นส่วนกลาง เ, าเมื่อพระ อ, องค์สะดวกสะดวกเมื่อไรอพวกเราผ่น้อมรับเมื่อนั้นแต่แต่ตก่อนเราก็คิดว่าจะเอาเดือนกุมภาที่หลวงพ่อทราบว่าเนอะกุญกุมภาพระ อ, องค์จะเสด็จ อ, องภาจะเสด็จกุมภ า, าแต่ต่อมาก็พระ อ, องค์ก็มีภาระ ท่านเป็นผู้ใหญ่ก่อนได้จะไปที่ไหนได้ก็ไม่ใช่ของเหมือนกับพวกเราไปคิดได้คิดไปท่านมีภาระมากท่านก็เลยกำหนดเมื่อวันที่17เมิถุนาที่ผ่านมาพอมันวันที่17แต่ในช่วงนี้พี่น้องในถิ่นนี้ ก็เป็นกิเป็นทเกษตรกรรมการทำมาหาเลี้ยงเชื่อังก็ต้องเข้าหน้าฝนแล้วก็คู่คนเข้ามาก็จะให้อยู่นานพัมเพื่อหลายวันคงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจึงมีมีพี่น้องประชาชนเข้ามาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น แต่ดีไหมก็ดีหลวงพ่อว่านะจะหลวงพ่อเนี่ยวางแต่ชื่อหลวงพอว่อสันตุสโกใช่ไหมไปว่าพูดสันโดช่วย <laughs> <laughs> น้อยๆแหละดีไม่ไวุ่นวายเอาแค่นแค่นเลยว่างั้นเถอะเอาดีๆเลยเถ้าของดีท่านดีท่านดีน้อย ทํามันดีมากได้ก็ดีนะแต่ถ้าวันดีมากไม่ได้เอาดีน้อยอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทําไมคนทั้งหลายผู้ที่เข้ามาใส่ใจสนใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่แต่สําเร็จมักสําเร็จผลผู้ใส่ใจในการฟางังธรรม ทำไมน้อยนักพระเจ้าข่านะพระพระองบอกว่าให้ดูซิพวกเธอทั้งหลายให้ดูขนวัวกับเขาวัวอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ตอบว่ามันก็ขนมันก็มากกว่าเขานละใช่ไหมวัวทั้งตัวก็มีเขาอยู่สองเขานะ่าขนมันมา ก, กานี่แหละคนดีเนี่ยคนที่ ที่จะอยากจะพ้นทุกคนที่สแสวงบุญคนที่จะจะออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยเหมือนกับเขาวัวนคนที่จะอยู่ในโลกวัะสงสารเน่ะเหมือนกับฝนวัวนเนี่ยคนนั้นให้พวกเราไม่ฟังดูไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้สมัยนี้ก็เถอะนะผู้ที่จะเข้าสู่วัดวาศาสานาเนี่ยมันไม่ใช่ของ เสียสละได้อได้ง่ายเมื่อไหรเพราะมันสู้กับกิเลสมากมายผู้ที่จะเข้ามาสู่วัดวาศาสนาสู่คุณงามความดีได้มันฝืนใจจริงๆครับหลวงตาท่านจะเปรียบเทียบว่าเหมือนจูงหมาใส่ฝนอ้าว่าจูงพวกเราเข้ามาสู่คุณงามความดีอถ้าหว่า ถ้าหากว่าไปทางร้องร้องรำทำเพลง เ, เลี้ยงอาหารโต๊ะจีนอะไรลักษณะอย่างนั้นกระโดดผงผางออกไปออจับหูกับหูขาดจับผางกบหางขาดมนัันลมันกระโดดไปใส่แต่ถ้าว่าจูงเข้ามาสู่คุณงามความดีหเหมือนจูงหมาใส่ฝนทางขอาพวกเราไม่เชื่อก็ทดลองดูนะ เวลาฝนตกแรงๆอ่ะจูงหมาไปใส่ฝนมันจะทำยังไงมันมีสีข่ขามันดันไม่หมดมันไม่ออกมันไม่อยากจะออกไปหาฝนนะนี้ก็เหมือนกันนั่นะคนพวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่จะปามาประกอบคุณงามความดีนั่นมันน้อยมากแต่ถึงยังไงก็ตามเพราะท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นยังมองไม่เห็นยังมองมองไม่เห็นคุณค่า อยางมองไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะยังหมกมุ่นอยู่ยังเห็นยังเห็นยังเห็นคุณยังเห็นว่าเป็นพระคุณยังเห็นเป็นคุณอย่างมากเพราะเหตุอะไรพ่อว่าสติปัญญาบา ร, รมีของท่านเหล่านั้นยังน้อยอยู่ แต่าว่ายังผู้ที่ได้ชำระ ก, กิเลสมาในอดีตชาติมานมนานได้ํมเพลนคุณงามความดีได้สังสมบุญกุศลได้พำบำเพลนทางจิตภาวนามาในอดีตชาติมานมนานพวกเราก็จะมองเห็นแปลว่าเป็นผู้เบาบางไปด้วยกิเลสเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนในเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้ในวันนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ไปเสวยวิมุตติสุขในสถานที่ต่างๆที่สมมุจลินบัางที่ต้นเกรดบ้างและที่ต้นเกรดบ้างที่ต้นไซบัง้งที่ต้นโพที่ที่ไหน ทางพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกทีละเจ็ดวันเจดวันถ้านับดูแล้วก็เดือนกว่าเหมือนกันนะเดอนี่ว่าเดือนครึ่งนะออทีพะ่พระองค์ไปสวยพิมุติสุขออในสถานที่ต่างๆแปลว่าพระองค์บำเพ็ญมาตั้งหปีอดพักญาหารถึงสี่บ้าวันจากนั้นพระองค์ก็ได้บำเพ็ญในวันคืนเดือนหกเพ็ญนั่นนะออตอนหัวคำ่ำได้ ตัดธารุปกเพนิวาสารุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนได้ตัดสารุจุกตูปปาตยานพอจวนสว่างได้ตัดรารอาสาวกยายาัญาญาณญาณอย่างรู้ว่าหมดกิเลส ต, ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของโปองอย่างเด็ดขาดพระ อ, องค์รู้ด้วยพระ อ, องค์เองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วในเมื่อองค์ได้ตัดสุ้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์มองถูแล้วโอ้มีความสุขมีความสุขจริงๆไม่มีกิเลสตัวไหนจะมาต่อก่อนที่จะมาห้ำหัน่นหรือจะมาให้ทำใหพออ้พระไทยใจขององค์เศร้าหมองอีกไม่มีอีกแล้ว พระ อ, องค์โดดเด่นนี่มีความสุขที่แท้จริงจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ไปสเสวยฟิมุติสุขเหมือนกับนักมวยเอกใช่ไหมนักมวยเอกเออเออกิเลสตัวไหนมัดนกกิเลสตัวไหนตมานกนกนกไปนอนเรียงกันเลยจะนีเ่เป็นมวกผู้ชนะไม่ว่าสิบทิดร้อยทิดพันทิดหมื่นทิดแสนทิศมาทิศไหนพระ อ, องค์ชนะหมดแปลว่าไม่มี กิเลสตัวไหนจะมาต่อก่อนมาต่อรองพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ชนะเราเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะมาต่อกอนกับเราได้อีกแล้วจากนั้นพระองค์ก็คล้ายๆว่าไปฉลองฉลองชัยในฉลองชัยชนะในต้นไม้ต่างๆอย่างที่ว่า เนี่ยเจ็ดห้าหกเจ็ดสถานที่ที่ละเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันเออไปที่ไหนก่อนน่ะพระองค์ก็ดูมีแต่สวยวิมุตติสุขเออแต่พอมาสุดท้ายพอสุดท้ายพระองค์ก็มองพระองค์เองอีกว่าเอราทำที่เราได้เนี่ยที่เราได้ตัดสโร้เนี่ยเอามันเป็นทำที่ทวนกระแสของโลก โลกของเขาเนี่ยเหมือนกับน้ํามันไหลลงทางต่ําไหลลงไปทางต่ําคือไปอกิเลสราคะกิเลสโภสะกิเลสมหะโลกโกรธโกรธลงแต่ธรรมที่เราได้ตัดรู้เนี่ยเราได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพนเนี่ย เ, เราได้เอาชนะนางกิเลส <c oughs> กิเลสราคะโทสะโมหะนางราคะตันนาคานางตันหาราคาอารดีนี่คืออะไรก็คือกิเลสโลกโกดลงในจิตใจในพระทัยของพระองค์แต่ท้าในโลกทั้งโลกเขามองอีกมุมนึงบอกว่าโลกทั้งนี้น่ะเสร็จสวยงดงามน่ารักใครชอบใจ ติดหลงไหลในรูปเสียงเกี่ยงรถสัมผัสแต่ในธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระ อ, องค์บอกว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะปฏิกูลหาความเจ็ดสวยงดงามไม่ได้เอกสักวันหนึ่ง เ, เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ดินกเ็เสื่อมสภาพไปหาดินน้ำลมไฟ ก็ไหลทะลักไปสู่ดินน้ําลงไฟของมันอันไหนคือความสวยงามอันไหนคือหน้าที่หน้าสิ่งที่น่ารักค้อไข่พอใจในเมื่อพระองค์พิจารณาถึงร่างกายของพระองค์ว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายสู่ดินน้ําลงไฟขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่ง ร่างกายใ น, นจุดต้องแปรสภาพในเมื่อร่างกายแปรสภาพไปแล้ว เ, เป็นส่วนอื่นไปแล้วแล้วเงินคำทรัพสมบัติละ่ะยดถาบรรดาศักดิ์ล่ะสามีภรรยาลูกหลานญาติโกโหติกาสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดใจในกายของเรายังไม่ใช่ของเรา อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งมันอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงนี่อันนี้ก็คือพระ อ, องค์ได้พิจารณาพระ อ, องค์จึงวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้หลุดพ้นนี่แหละท่านตัดกิเลสมันทวนกระแสของโลกโลกของเราเนี่ยอันนั้นก็น่ารักอันนี้ก็น่าคลายอันนี้นก็น่าชอบใจเมันดีไปหมดในโลกเลย แต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยทวนกระแสเพราะนั้นเราจะไปเทศไปสอนให้ใครใฟังเพราะโลกมันติดกับกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ธรรมที่เราได้มาเราจะถาคดในตัสรู้เนี่ยมันทวนกระแสกับสิ่งเหล่านั้นถ้าไปพูดให้เขาฟัง เ, เขาก็คงจะไม่เชื่อคงไม่ฟัง เ, เพราะนั้นเราคงจะลำบากเปล่า เปล่าประโยชน์ที่เราจะแสดงธรรมให้กับบรรดาคนทั้งหลายเข้ามาให้เขาได้ฟังทั้งที่เขามัวเมาอยู่ในกิเลสราคะโทสะตัวเองก็ไปพูดให้เขาฟังมันก็เปล่าประโยชน์เพ้อเพอจะเป็นโทษอีกต่างหากเราไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องไปแสดงธรรมพระองค์พระพุทธองค์ท้อพระไทยทอพระไทย ในการจะแสดงธรรมเทศนาอบมออรมคล้ายๆกับว่า เ, เกิดความออบอกว่าไม่เอาละน้อยประไทยแต่เอาไม่เอาละค่ายว่ า, วากคงจะไม่เกิดประโยชน์จากนั้นพรมเทวดาผู้ใจสูงพรมท่านเห็นอกับกิริยาทีพระพุทธเจ้าท้อประไทย ที่จะแสดงโปรดเวนไยยสัตย์จะไม่เอาอีกแล้วนะ เ, เราได้ตัดสรู้แล้วก็ตายไปซะหรือว่าปรินิพานไปสักพอเราจะสอนไปก็คงจะเปล่าประโยชน์นะแต่นี่พรมอาราธนาพรมเห็นว่าพระพุทธเจ้าเกิด เ, เบื่อเอหน่ายที่จะไม่แสดงพระธรรมเทศน า, าท้อปไทยในการจะแสดงพระธรรมเทศนา พรมเขาเลยจำมแลงตัวขึ้นมากล่าบปรารถนาอย่าว่าพรมม า, าโรกาติปฏิสหัมปฏิเลยพรมก็มากล่าบปรารถนาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าขาผู้มีทิเลตกิเลตเบาบางากิเลต <c oughs> น้อยมีอยูอ่ผู้ที่บําเพ็ญมาแล้วยังมีอยู่ถ้าหาว่าพระองค์แสดงธรรมไปพวกชุนชุมชนกลุ่มนั้น เขาก็จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแต่บางคนที่เขายังมีปัญญาหนาแน่นอยู่มีกิเลสหยาบมาหนักิเลสหนาแน่นอยู่เขาคงจะไม่ฟังอันนั้นเขาปล่อยไปตามกระแสของเขาแต่ผู้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติบําเพ็ญมาแล้วเขาคงจะได้ฟังธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะนี่แหละพระองค์คึอจึงเท้าบอบเปรียบเทียบกับดอกบัวสีเหล่า แต่บางคนก็าสามเหล่าแต่บางคนว่าสีเหล่าสามเหล่ากับสเหลาก็เถอะนะคือดอกบัวสุดแท้เราจะเปรียบเทียบเอาขั้นไหนดอกบัวหนึ่งเกิดที่ได้พม์บำเพ็ญมามากแล้วในเมื่อที่ถูกแสงสว่างคือแสงธรรมเข้าสู่จิตใจพอได้ฟังธรรมะดอกบัวก็บานรับอันนี้คือดอกบัวมันพ้นน้ําขึ้นมาแล้ว คือได้บำเพ็ญคุณงามความดีมามากแล้วแต่พอได้พอได้เห็นพอแสงภระาทิตย์สองมาบวกบาบานรับอันนี้คือประเภทที่หนึ่งคือบําเพ็ญมามากแล้วพอมาเกิดชาตินี้ก็ได้เกิดมาเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเขาก็ได้สําเร็จมรรคผลอันนี้คือบวกประเภท ที่ 1. นึ่งปอบัวประเภทที่สองคืออยู่ใต้น้ําลองลงไปแต่ยังไม่พ้นน้ําต้องใช้เวลาในการบําเพ็ญสั่งสมบุญกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้ทานบักรักษาศีลบังภาวนาลม้มลกุกโคตรคลานแต่อีกสักวันหนึ่งเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงมีความพยายามผลในสุดมันก็โผ่พ้นน้ําขึ้นมาอีก พอคนนั้นมาถูกแสงสว่างได้แส ง, งได้ฟังเสียงธรรมะได้ปฏิบัติถูกทางผุด พ, พ้นทุกทุกอีกแตบ่บัวอีกเราหนึ่งมันพ้นขึ้นมาจากเงาบัวแต่ก็ยังเป็นลูกผีลูกคนบางทีก็กิเลสเอาไปกินบ้างบางทีก็โผล่ขึ้นมาได้ฟังธรรมได้พบบัณฑิตนักปราชญ์ก็เป็นคนดีขึ้นมา ถ้าได้พบกับคนเกเรคนชั่วก็เสียหายอันนี้ก็คือประเภทหนึ่งแต่พวกต่าลงไปกว่านั้นยังพอโผลขึ้นมาจากเงา่าวัวอันนั้นแม่ไม่แน่นอนอเป็นอาหารเป็นภักษาของปลาและเต่าไม่รู้จะขึ้นมาหรือไม่รู้จะเป็นอาหารของปลาและเต่าแปลว่ายังต่ามากนี่แหละนี่นคือพระพุทธองค์ท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้ คนเกิดมาในโลกเนี่ยมันมีหลายระดับอย่างที่ในพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ท่านได้แสดงเอาไว้อย่างนั้นพระองค์ก็พอได้ ร, รับอาราธนาพรมผมมาจจโลกาพระองค์ก็ย้อนดูพระองค์ว่าว่าเราตถาคตเนี่เป็นใครทําไมตะก่อนเราก็เป็นผู้มีกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกับจิตใจของปุถุชนทั่วไป แต่บัดนี้เราได้ชำระใจของเราเป็นพุทธะแล้วแต่คนอื่นเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันก็พร้อมที่จะบำเพ็ญบำเพ็ญขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ได้พระองค์ก็เราควรจะแสดงธรรมให้กับผู้มีอุปนิสัยเบาบางผู้บำเพ็ญมาแล้วผู้ที่บำเพ็ญมา แล้วที่จะพดทุกแล้วเราเราจะเทศนาว่าการให้กับท่านเหล่านั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้วิตกหรือว่าบองไปลอบพระองค์เราจะโปดรดไข่ก่อนหนาะทีนี้มีพระไทยมีพระไทยขึ้นมานี่มีใจขึ้นมาแล้วจะโปดรดไข่ท่านก็บองไปเห็นดารารบทอุตกะดาบทคือฤาษีอยู่ในลูแวกนั้น ตอนที่พระ อ, องค์ได้บำเพ็ญอยู่ในละแวกนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ไปศึกษากับดาราดาบดจากนั้นก็ไปศึกษากับอุตกดาบทอยู่ในอยู่ในในละแวกนั้นแต่ดาบททั้งสองนั้นท่านหนักไปนางไม่ไปนางไปทางฌานไปทางสมาธินะ่ะท่านไม่ได้เดินปัญญาแต่นี้พระ อ, องค์ไปศึกษาดูแล้ว ทั้งสองดาบดันก็ได้พอไปศึกษาท่านก็นสอนวิชาสมาธิให้สิทธัตถะนี่ก็เรียนจบในวิชาของท่านดุสีดาลาราบทแล้วก็ไปเรียนกับพุทธกะดาบทก็จบอีกท่านดุสีทั้งสองท่านอายุมากแล้วแก่แล้วเอาเถอะท่านสิท ธ, ธัตถะเรามีบริวารทั้ง500 ขอให้ท่านเป็นอาจารย์สอนแทนเราเถอนะท่านเนี่ยได้สำเร็จตามขั้นตอนที่เราได้สอนไปแล้วจบแล้วบริบูรณ์ในทำในทแนวความรู้ของเราที่ได้มาเนี่ยที่ท่านได้จบแล้วแต่พระสิทธัตถะมองดูแล้วว่าไม่ใช่ถางมันเพียงแจ่สมาธิหรือว่าฌานเท่านั้นเองอยังไม่ยังไม่เป็นที่พอใจที่พ่อคงจะต้องศึกษา จะต้องค้นคว้าอีกนี่แหละอันนี้ก็คือทำไมพระ อ, องค์จึงรู้ว่าอันนี้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละคืออันนี้ก็คือบุญบา ร, รมีของพระ อ, องค์พระองค์อองคงเคยบาเพ็ญมาแล้วเป็นฤาษีชีพายมาแล้วนับธาต น, นับชาตินับพบไม่ถ่วนที่บาเพ็ญมาแล้วพระ อ, องค์จึงรู้ได้ว่าอันนี้คือสมาธิหรือฌานยังไม่ใช่ ที่จะตัดกิเลสปัญญาวิปัสสนาลงไปได้จากนั้นพระองค์ก็ไม่เอาจึงได้มาบำเพ็ญด้วยพระองค์เองที่โคลนต้นโพจากนั้นจึงได้บำเพ็ญทั้งทรมานทรมานร่างกายไม่อดไม่ฉันภักดยาหารถึง49่สิเวันมองพองมองดูแล้วถึงจะอดภักคยาหารก็เถอะแต่จิตใจของเรามันยังคึกมันยังขนอง มันยังกระโดดโลดเต้นอยู่ถึงร่างกายมันจะผายผายผอมขนาดไหนแต่ใจของเราใจก็ยังเป็นอีกแนวนึ่งอยู่พระ อ, องค์บอกว่ายังไม่ใช่ทางจากนั้นพระ อ, องค์จึงเอดูที่ใจเท่านอ้ดูที่ใ จ, ใใจไม่ดูกายนะเพราะเกาไม่ถูกเกาไม่ถูกที่ขันนะ เ, เกาไม่ถูกที่ขันทั้งที่มันกิเลสมันอยู่ในใจมันไปเกาไปเการ่างกายนะ เ, เหมือนกับ เราขับรถอย่างนี้แหละทำไมรถคันนี้มันจึงไปชูดชนคู่ชนคนอ่ะไปชนสัตว์ไปตกทางถนนมันเพราะอะไรไปทรมานรถให้มันกินน้ำมันน้อยๆบ้างทำอะไรให้กับรถแต่มันไม่ถูกแต่ตัวเองเลยโซเฟอร์กินเหล้าเมายาสมเลเทเมา นอนไม่อีบอีต่างหากแต่ไม่ดูไม่ดูไมู่โซเฟอร์กับไปดูรถไปทรมานรถไปใ ห, ให้ให้รถดูในรถว่าให้มันกินน้ามันให้ได้กินน้ำยังไงไปทำยังไงไปดูรถเพื่อจะเอาความดีกับรถแต่ทีนี้พระ อ, องค์ไปดูกับรถมันไม่ใช่ทาง รถคันนี้มันเป๋ซ้ายเป๋ขวาเป๋หน้าเป๋หลังไปเฉียวชนคนที่รถคันนี้ไม่ดีเพราะโซเฟอร์จากนั้นพระ อ, องค์จึงได้หันมาดูโซเฟอร์รถเพราะโซเฟอร์ตัวนี้แหละที่ขับรถคันนี้จึงมันจึงเสียศูนย์เข้าไปจากนั้นพระ อ, องค์จะทํำยังไงจึงจะทรมานหรือว่าดูโซเฟอร์ตัวนี้ให้เป็น คนดีเรือให้เป็นโซเฟอร์ที่ดีที่จะขับรถคันนี้จากนั้นพระองค์จึงได้บําเพ็ญดูดูพระไทยของพระองค์ดูใจของพระองค์จากนั้นพระองค์จึงได้บําเพ็ญในวันเดือนหกเพนนะ์นั่นวันนั้นนะวันที่วันสูตรสําเร็จพระองค์ได้ตัดสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันนั้นใน <c oughs> ปฐมสมโพธดหรือว่าพุทธประวัติในวันเดือนหกเพนนายโสธิยะไปย่าเกี่ยวย่าคาในละแวกนั้นเพื่อจะมามุงหลังคาบ้านของตอนเองพอเกี่ยวย่าคามาได้แปดกำมือในข้างได้สี่กำจากนั้นท่านก็หาบมาผ่านต้นโคนต้นโพมาผ่านต้นโพหินชิตทัตถกนั่งอยู่ตามลำพัง คงนั่งไม่สบายเพราะเห็นอะไรเพราะต้นโพพวกเราก็เคยเห็นต้าโพต้นโพแก่ลากฝอยมา ก, กับรอยขึ้นมาบนดินน้ําซ้อออกไปก็เห็นรอยลากโพตะปุ่มตะปั่มมันไม่เรียบราบนะนยายโสธิยะเห็นเ อ, อ้สิทธะนั่งอยู่ตามลําพังคงจะนั่งไม่สบายนยายโสธิยะเนี่ยพอเห็นก็เกิดศรัทธาเนี่ยนะคนที่มีศรัทธาด้วยกันนะพอเห็นแล้วมันเข้าตากันเลยนะ เออมันไม่ไม่เหมือนคนที่เป็นอริสัตยรูกันนะถ้าคนเห็นที่เป็นอริสัตยรูกันนะั่นะพอเห็นการทรมันควางตาเลยนนะั่นแะเออเพราะะไรเพราะมันไม่มันมั น, ม, น, ม, นมันเคยเป็นอริสัตยรูกันแต่เนี้สิทธัฐานเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเนีเ่ย เ, เห็นสิท ธ, ธิฐานนั่งอยู่ตามลำํำพังโอ้ท่านคงจะนั่งไม่สบายท่านก็ได้มอบยาคาให้แปดกำมือ แปดกำมือสิทธถาก็ได้หญ้าคา8ปดกำมือก็หาทำเลที่นั่งแต่จากนั้นพระ อ, องค์เสิทธถากมองไปได้ทางทิศตะวันออกจากนั้นก็ได้เอาย่าคาเกลี่ลงไปสี่กำมือแล้วก็ประสานหางใส่กันเอาหัวเป็นคนละข้างประสานกันเป็นอาสนะแปดกำมือเป็นที่นั่งจากนั้นพระ อ, องค์ได้อาสนะที่นั่งในช่วงนั้น พระอาทิตย์ยังไม่อัดสะดงไม่อัดสะดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินแสดงว่าแสงสว่างยังมองเห็นได้ชัดเจนจากนั้นพระ อ, องค์ก็ขึ้นไปนั่งหันพระพักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธินั่งที่ที่ยาคานขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้พวกเราฟังเอาไว้นะพวกเราเป็นพุทธบริษัทนี่แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้า เ, เดี๋ยวนี้มีกรรมฐานลหลายอย่างที่พวกเราได้ศึกษาแต่ลัคณาจารย์มีมากมายที่เราได้ศึกษาคนหนึ่งก็นแนะนำอย่างหนึ่งทุบนอพองนอบางเพ่งดวงแก้วบาง ทำกายให้ยกมือยกไม้ยกมือว่างให้มีเวทนาให้รู้จักว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างมีมากมายถ้าเราศึกษาไปทางที่เบสถีรังกาพมา่ามีหลายอย่างที่เขาสอนกันแต่หลวงปู่มั่นท่านก็สอนอีกเหมือนกันสอนกรรมฐานให้ลูกศิษย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นกาหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทนะ หลวงปู่มั่นท่านก็สอนหายใจเข้าพุทออกโทมันกันนะแต่ว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ในวันนั้นนะท่านไม่ได้ว่าพุทธโทท่านไม่ได้ว่ายกหนอพองหน่อท่านไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าให้มีสอนสัมปชัญญะในลมหายใจออกนี่แหละอันนี้คือคือกรรมฐานของพุทธะจากนั้นพระ อ, องค์ พระไทยใจของโปองค์ไม่ได้คิดไปทางอื่นไม่ได้คิดไปในอดีตไม่ได้คิดไปในอนาคตพระไทยใจของโป่งรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมรวมสงบลงเป็นหนึ่ ง, เ, ง, ง, ง, เ, นนงเกิดยานะทะเกิดญาณรัตนะเกิดฌานขึ้นมาแหมจะว่าปุกเผนิวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะปะตะาตญาณพอจวนสว่างอาสาอาสาวยายาัคยญาณอย่างที่ลงพ่อได้บ ่าพรพุทธเจ้าได้ตัทธรุพระอนุตตสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นในคืนวันเดือนหกเพนนนั้นคือได้ญาณัตนาสามอย่างนี่แหละอันนี้คือตัวอย่างของพุทธะแต่ทีนี้มาถึงพวกเราท่านทั้งหลายเ่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นและแต่พวกเราเนี่จะทำอย่างไรนี่อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาอีกเหมือนกันนะการนาฏายาจโยมนะแต่หลวงพ่อเอง ไปณสถานที่ใดหลวงพ่อจะแนะนำว่าเราปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเนะพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนยังไงแต่หลวงพ่อก็ได้สืบสอบถามหลายๆคนเหมือนกันนะอย่างฝรั่งที่เคยมาบวชที่วัดป๋าบ้านตาจากนั้นก็ไปอยู่ที่วัดของปู่สิงห์ทองจากนั้นเขาก็ไปต่างประเทศไปพม่าศรีลังกา ไปเกาหลีไต้หวันไปหลายๆประเทศนะเขาไปศึกษานะแต่เราก็ถามว่าคุณในเมื่อคุณไปศึกษาหลายๆประเทศนนะ่ะ ต, ต่อมาเขาเป็นคณาจารยนะ์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จังหวัดอะไรในเกาะแถวนะ่นครศรีธรรมราชนะนะท่านเป็ น, ปน ต, ตั้งเป็นให้คนเขา้เขาคอร์สเลยนะ แล้วเขามาพักที่วัดหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ถามว่าคนที่ได้ศึกษาในในสายต่างๆรู้แล้วนะ่คุณมั่นใจในกรรมฐานหรือว่าครูบาอาจารย์สอนท่านคุณมั่นใจในสายไหนในในความรู้สึกของคุณหลวงพ่อถามนะเขาว่าผมมั่นใจในสายแนวสายแนวแถวหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่มั่นในะท่านชัดสอนได้ชัดเจน เรื่องสมรรถะคือทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเดินทางวิปัสสนาทํายังไงวิธีการเดินทางวิปัสสนาออกยังไงวิธีออกเดินสู่วิปัสสนาอันนี้ก็ชัดเจนในเมื่อเดินวิปัสสนาพิจารณาขี้คายแล้วก็เดินเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวคัคคเลสอันนี้คือชัดเจน เพราะนั้นผมจึงเชื่อมั่นว่าแนวแถวขององหลวงปู่มั่นเป็นแนวแถวที่ผมยอมรับแต่สายอื่นในเมื่อสอนเรื่องสมมภิฐคือทำจิตใจให้สงบพอจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วคิดว่ามันจะเดินมันจะออกทางวิปัสสนาแล้วเวลานั่งพิจารณาแห่งทุบหนอป้องเนอะประเด็ว น, น, นดวิธีการทำอะไรก่อนนั่นแหละคือวิปัสสนา แต่ดูแล้วไม่ใช่เพลงแต่ทำจิตใจให้สงบอันนี้ก็คือฝั่งคนนั้นเขาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็มีแต่ฟังฮะแต่ตาไม่จริงหลวงพ่อเองได้ศึกษาแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็มั่นใจโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งองหลวงตามหาบัวที่ท่านได้พูดได้ชัดเจนามากมากที่หลวงพ่อ้าไปศึกษาเพราะหลวงปู่มั่นเราก็ไม่ทันนะ แต่หลวงปู่ล่าท่านก็สอนอยู่แต่ก็ไม่ชัดเหมือนหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวในท่านบอกว่าแต่ก่อนท่านก็ภาวนาในการที่ในสมัยเมื่อท่านเรียนหนังสือท่านก็ศึกษาได้ยินครูบาอาจารย์สอนว่าภาวนาพทุทโธท่านก็พุทโธเหมือนกันแล้วกำหนดลมหายใจเมื่อท่านได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้า หายใจเข้าหายใจออกธรรมดาแต่คือสรุปแล้วก็คือไม่มั่นใจสักจางในการภาวนาแต่ทีนี้พอจบมหาเปลี่ยนสามประโยคก็บางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบแต่บางทีก็พอสงบไปหลายวันแล้วมันถอนขึ้นมาแล้วเอาเข้าอีกไม่ได้อีกออมันถอนออกมาแล้วมันไม่ยอมเข้าอีกมันไม่คล้องไม่ยอมเข้าสมาธิอีก อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ท่านทกข์ใจอย่างมากจากนั้นมาท่านก่อนเนี้ยพอมาภาวนาจิตใจเอาละเอาจริงละครานี่ท่านก็นเสียสละแล้วออกมาก็มาจำพรรษาข้างนอกจากนั้นก็มาภาวนาอีกภาวนาจิตใจก็เข้าสู่ความสงบพอเป็นพื้นฐานจากนั้นมาท่านก็นมาอะไรมาทำงานมาสร้างมาทำกรดทำกรดให้ตัวเองที่จะเดินโอ้ทากรดยังไม่เสร็จ จิตใจมันออกแท้ไหนท่านคงจะมาอยู่ใกล้บ้านอีกต่างหากนะกิเลสของท่านเขาคงจะกิเลสไฟดุ่นเก่ามันเป็นฐานเก่าคงจะติดได้ง่ายอย่างที่ว่านะท่านก็โอโ้ใจร้อนขึ้นมาเลยแท้ไหนโอ้ไม่ได้ทํากรดยังไม่เสร็จก็เปิดแหนบหน่อีออกจากบ้านไปทีนี้กับใจมันก็ร้อนเนี่ยไปที่ไหนมันก็ร้อนอยู่ทั้งไฟมันติดอยู่ที่ใจฮะกิเลสตัว คงจะไม่ใช่ตัวอื่นตัวกามะลาค่านี่นะตัวนีหละสำคัญนะมันติดอยู่ในใจจากนั้นไปเข้าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนว่าวิชาความรู้ที่ได้เรียนได้ศึกษามานั้นนะจึงจะเรียนได้มหาป ร, ริญญาสาประโยคก็อย่าเพิ่งนำเอาหลักธรรมมาเปรียบเทียบขณะที่มานั่งภาวนาให้เอาเข้าโต้เอาเข้าตู้ เ, เ ข, ข้าหีบล็อกกุญแจไว้ก่อน ต่อห น, นี้ไปให้ภาวนาหายใจเข้าพดหายใจออกโทนะให้บริกรรมด้วยถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดมันหลงได้ง่ายมันหลงเงื่อนได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายเพราะนั้นไอ้ท่านสำทับกับพดโทน ะ, เ, ะเวลาก้าวขาขวาเดินโยกโกรมกับขาขวาพดขาซ้ายโทเวลาไปบินทบบาท เ, เวลาก้าวไปบินทบบาทตอนเช้าขาขวาพดขาซ้ายโท เวลาปัดกวาดท่านก็เหวี่ยงขวาพุเหี่ยงซ้ายเหี่ยงซ้ายโถเวลาฉันจังหันก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการฉันจังหันอย่าให้เผลอไปไหนถ้ามันเผลอไปดึงกลับคืนมาอันนี้คือหลวงปู่มัน่นท่านสอนหลวงตาแต่ท่านหลวงตาเนี่ยเป็นคนจริงจังและจริงใจนะท่านก็ปฏิบัติตามที่องค์หลวงมรุหลวงปู่ท่านสอนท่านบอกว่าโอ้วันหนึ่งวันที่สองที่สาม มันเหมือนกับเราจับบวกจับควายที่ไม่เคยแอกเคยไถไม่เคยเชื่อกเลยนะมันกระโดดโลดเต้นมันโซคูขนาดหนักเลยเป็นทกมากทนะไม่มีอะไรที่จะหนักยิ่งกว่าการภาวนาที่จะทาจิตใจให้สงบให้จิตใจอยู่ในในสติสัมปชัญญะที่ล็อกไวนะ้น่ะมันไม่อยู่นะมันเผลอไปออกไปข้างนอก นั่ล่ะมันออกไปต่อหน้าต่อตาเนี่แหละคือจุดที่แหละท่านบอกทุกจริงจริงการงานที่เราเคยทํามาแล้วมากมายแต่ไม่มีอันไหนทุกยิ่งกว่าการทำจิตใจให้สงบท่านเห็นท่านรู้เห็นได้ชัดนะจากนั้นท่านก็พยายามมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงอยากองหลวงปู่แนะนําสั่งสอน ภาวนาให้พดโธเท่านั้นเยึะพดโทเป็นหลักพอวันที่ห้าที่หกนะซีทีที่ห้าที่สี่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเอาอยู่บ้างวันที่ห้าที่หกนะจิตใจรวมสงบได้ใช่ไหมแต่เมื่อจิตใจรวมสงบ เ, เป็นหนึ่งรวมไปได้แล้วต่อมาจิตใจก็นิ่งขึ้นเรื่อยๆจนประกาศกับตัวเองว่าไม่เสื่อมแล้วต่อไปนี้ใจของเราจะไม่เสื่อม พอเรายึดพุทธโธเป็นหลักนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวขององค์หลวงตาที่ท่านได้พูดพูดได้ชัดเจนในการทำสมัทฐาที่ทําจิตใจให้สงบคือบริกรรมพุทธโธพร้อมพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักจากนั้นท่านก็ภาวนาพุทธโธจนนั่งตลอดทั้งคืนได้นั่งทั้งคืนได้นั่นนั่งตลอดทั้งคืนเลยไม่ลกุก ไม่ขยับเ อ, อท่านบอกว่าเราตั้งจิตอธิษฐานเราจะนั่งทั้งคืนเ อ, อถึงจะเยี่ยเอวจะขี้จะเยี่ย อ, อะไรก็ตามให้มัทรักษ์ใส่ผ้าเลยเราจะไม่ลุกเด็ดขาดถ้าว่าเราบอกว่าถ้าเราปวดเยี่ยวเราจะลุกถ้าปวดหนักเราจะลุกมันจะลุกมันจะกิเลสมันจะมีทางออกจุกนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มันออก อ, อสมัยเราเป็นเด็กเราช่วยตนเองไม่ได้เวลาพ่อแม่ เราขี้เส่ผ้า เ, าเยี่ยวขี้เส่ผ้าพ่อแม่ยังเอาไปซักได้แต่นี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะมันมันทะลักออกไปยังไงเราก็ซักได้เพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว น, ะนี่แหละองหลงตาท่านเอาขนาดนั้นนะคณะทาญาติโจพระเนรลูกหลานาจากนั้นทา่านก็นั่งภาวนาตลอดทั้งคืนอพอตระักเอาครั้งหนึ่งได้นั่งภาวนาทั้งคืนได้ท่านบอกว่าวันแรก พอนั่งตลอดคืนอพอลุกขึ้นมาพอได้เวลาสว่างเอาละได้เวลาลท่านก็ลุกขึ้นมาอลุกขึ้นมาก็ลุกไม่ได้ตั้งค่าใช่ไหมละ่ะพอลุกขึ้นมาขามันตายเลยขามันเป็นเน็บไม่รู้สึกตัวเลยเอมันขามันเป็นเน็บลุกขึ้นมาอย่างแรงที่ว่าตัวเองลุกเหมือนกับธรรมดาหงายเพิ่งตั้งล้มเลยโอ้โหท้อทเอก็รู้วือ ขามันเป็นเน็บขามันไม่ใช่ตัวตนของเราใช่แล้วเจากนั้นมาท่านก็ค่อยจับขาเขาเขาเองเหยียดออกไปอพอเหยียดแล้วก็นวดนวดขานวดนวดหัวเขา่าเสร็จแล้วก็ดิบปลายนิ้วเท้านะจากนั้นพอปลายนิ้วเท้าเสร็จแล้วท่านก็รู้สึกว่าจะค่อยลุกขึ้นมาอันนี้คือครั้งแรกพอครั้งที่สองเนี่ยเวลาจะออกเนี่ยฉลาดขึ้นมาต้องพยายามจับขาออกไป จากนั้นก็นวดขานวดขาตัวเองจากนั้น ก, ก็ดิกที่ปลายเท้าพอรู้สึกแล้วนะเลือดลมมันวิ่งแล้วค่อยออกมาอันนี้แทลว่าท่านนั่งภาวนานั่งตลอดทั้งคืนได้ไม่ใช่นั่งทุกคืนนะสองสาสคืนนั่งครั้งหนึ่งสี่ห้าหกคืนนั่งครั้งหนึ่งบางทีถ้าว่าวันไหนฝนตกพรำๆแล้วอากาศเย็นๆ วันนั้นจะเข้าสมาธิได้ง่ายแต่ถ้าวันไหนอากาศร้อน เ, อเวลานั่งสมาธิเงือแต่เงือร้าเงือไหลเนะี่ยวันนั้นเข้าสมาธิได้ยากพอเข้าไปแล้วก็ถอนอถอนออกเข้าเอถอนเองเข้าออกมาอีกวันนั้นจะเหนื่อยใช่นหมไอ้ท่านพูดให้ฟังอย่างชัดเจนวิธีการนั่งสมาธิของท่านาแต่วันไหนที่นั่งอากาศเย็เนๆฝนตกดินพรมๆท่านนั่งทั้งคืนรู้สึกออกมาเนี่ยเหมือนก็ไม่มีอะไร จิตใจกําลังใจเข้มแข็งออกจากสมาธิได้นี่แหละอันนี้ก็คือการนั่งสมาธิขององค์หลวงตาจากนั้นพออยู่ต่อมาเนี่ยหลวงปู่มั่นก็ถามเออเป็นไงมหานั่งภาวนาสงบดีไหมหลวงตามหาบัวก็บอกว่สงบดีมากครับผมออนั่งทั้งคืนได้ตลอดทั้งคืนเลยครับผมเออเมื่อนั่ง เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วผ่านความสงบแล้วให้ถอนออกมาพิจารณานะให้พิจารณาร่างกายให้แยกส่วนแบ่งส่วนร่างกาย เ, เกษาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเชื่อในกระดูกเหมือนแยกแยกเหมือนอาจารย์ใหญ่นั่นแแยกแยะดูนะร่างกายให้เห็นร่างกายว่าเป็น อ, อไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นเพียงธาตุสี่ดิดน้าลมไฟเท่านั้นเออแต่หลวงปู่สอนหลวงปู่มั่นสอนพอสอนเสร็จแล้วหลวงตากับไปพิจารณาพอนั่งสมาธิเข้าไปพอเข้าสู่ความสงบแล้วก็ถอนออกมาพิจารณามันไม่ยอมออกทีนี่ เ, เหมือนกับคนที่เกิดในติดในสมาธินีะมันอยู่ในสมาธิมันมีความสุขนิ่งอยู่ เออทีนี้มันไม่ยอมออกเพราะพิจารณามันเหนื่อยนะพิจารณามันเหนื่อยคิดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้มันเหนื่อยมันเหมือนกับคนนอนอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ไล่ไปทางานลักษณะนั้นนะไปทางป่าไปตัดไม้อนันเออมันไม่ชอบแล้วมันอยู่ในห้องแอร์ดีกว่าสบายกว่านี่แหละใจที่เป็นสมาธิก็ลักษณะอย่างนั้นทันวาน่ะเออจากนั้นก็มันไม่ยอมออกเออเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นอีกหลวงปู่มั่นเออไปางมหา มันออกพิจารณาไหมมันไม่ออกครับผมมันทำไมมันมีันมันมีความสุขในสมาธิมันไม่ยอมออกแต่ในใจลึกๆบอกว่านี่แหละสมาธินี่แหละต่อไปมันจะเป็นมรคนิพพานจะได้สำเร็จมรกสำเร็จผลเพราะมันมีความสุขเหลือเกินจิตใจตัวนี้มันจะเป็นมร์เป็นมรคผลขึ้นมาในใจของเราลึกๆแต่หลวงปู่มั่นท่านมองเนี่ยเออมันติดสมาธิเนี่ย อต้องบังคับให้ออกนะต้องบังคับถ้าไม่มาบังคับมันจะไม่ออกบังคับให้ออกนะอต่อมาไปเป็นไงมันไม่ออกครับมันยังติดสมัครน้นแล้วจิตที่อยู่ในสมาธิเหมือนกับไปติดรถ เ, เหนื้อในในไหลฝันตนเองเ อ, อติดรถติดชาติอื อาหารที่เราเคียเ้ยวในกินเข้าไปมันติดลายฝันก็ติดรถในมันติดในลายฝันเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความสุขถาวอรไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงต้องบังคับให้ออกนะหลวงปู่มั่นกระนาบนี่แหละอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเหตุเป็นผลท่านเป็นครูบาที่อาจารย์ที่ผ่านมาแล้วท่านจะบังคับจากนั้นก็หลวงตาท่านดุอีกต่างหากไม่ได้นะ เสียเวลาจากนั้นผวงตาก็เลยบังคับบังคับให้พิจรารณาพิจรารณาร่างกายสังขารพิจารณาดินน้ําลมไฟพิจารณาเป็นอสุภาพติกูลุ่บังคับให้ออกพอบังคับให้ออกทีนี้มันออกเพราะมันออกไปออกเตลิดเปิดเปิงเทนออกจะเข้าสมาธิไม่ได้จนตาแข็งเข้าไปจะเป็นบ้าเอาทีนี้เพราะมันมีแต่คิดอย่างเดียวมันเห็นประโยชน์ เหมือนกับคนที่อยู่ในห้องแอร์พอในห้องแอร์คิดว่ามีความสุขแต่พอไปออกไปหาเงินไปทำมาค้าขายโอ้อันนั้นได้กำไรอันนี้เป็นผลกำไรที่ได้มาเมันเป็นกรอบเป็นกรรมเอรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องต่างๆนี่แหละมันเป็นผลที่ได้มาก็เพ ล, นเพลินในการทามาหาหาเงิ น, นเอเไม่ยอมพักผ่อนไม่ยอมนอนเอออกเตลิดเปิดเปิง ไปกราบหลวงปู่หลวงปู่มองเห็นแล้วรู้ได้แนละตาแข็งแล้วตาแข็งจะเป็นบ้าแล้วนอนไม่หลับนะหลายคืนหลวงปู่มัน่นเท่าตามไปไหนมาหาภาวนาโอ้พอมันออกมันออกเตลิดเปิดเปลืองเลยนะครับผมเลยออกไปยนไปยอมนอนไม่ยอมเข้ า, ขาสมาธิเลยครับผมหลวงปู่มั่นก็ น, นาปีเลยนั่นแหะมันจะเป็นบ้าให้มันออกเตลิดเปิดเปลืองได้ยังไงเวลามันพิจารณาเสร็จแล้วให้กลับเข้ามาหาสมาธิ ในเมื่อสมาธิพักผ่อนแล้วให้ออกเดินปัญญาในเมื่อเดินปัญญาเสร็จแล้วเออพิจารณาเห็นตามเป็นจริงรอบครอบแล้วกลับเข้ามาสมาธิเข้าใจไหมสมาธิกับปิปัสนะเป็นของคู่กันสมาธิคือพักผ่อน <c oughs> ทางด้านจิตใจปิปัสนานาก็คือการเดินให้รู้แจง้งเห็นจริงเห็นจริงนี่แหละ อันนี้คือหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำบอกกล่าวองคหลวงตาจากนั้นองค์หลวงตาก็ปฏิบัติตามาตามองหลว ง, ลวงปู่มั่นท่านก็นี่นะลรู้แจ้งเห็นจริงไปตามลำดับลำดับาจากนั้นท่านก็มองเข้าไปหาตัวผู้รู้คือใจของท่านามันไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อยู่ในกายมันอยู่ในใจตัวผู้รู้ตัวนึกตัวคิดนั่นแหละมันอยู่ในนั้นทั้งหมด ไปให้ความสําคัญเรื่องนั้นไปให้สาคัญความสําคัญเรื่องนี้หัวในสุดน่ยถ้าท่านก็มองเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดเนี่ยจังะมโนปุพังขมาธรมมามนโเมนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจตัวนั้นแหะคือตัวผู้รู้ตัวนามธรรมาตัวนั้นเป็นตัวใหญ่ตัวการใหญ่ ในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่นให้มองไปถึงจุดนั้นจุดตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนามธรรมจุดนั้นน่ะเรื่องเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากจุดนั้นทั้งหมดตัวนั้นเป็นตัวการใหญ่วิชาก็อยู่ในนั้นอวิชาก็อยู่ในนั้นกิเลสก็อยู่ในนั้นผู้รู้รู้แจ้งเห็นจริงก็อยู่ในนั้น เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแตะโกนเราไม่รู้กอไก่ขอไข่แต่ับันนี้เมื่อเราเรียนเรียนรู้กอไก่ขอาไข่แล้วความรู้ขึ้นมาแล้วนะไอ้ตัวที่ไม่รู้มันหายไปไหนมันก็หายไปอยู่ในนั้นนะแต่ที่มันไม่รู้ตะกอนไม่ไมรู้มันไ ม, ไม่รู้เพราะอะไรไปอยู่ในนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุทธะที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านไม่ได้ตัดรู้ที่ไหนนะพวกเรา ท่านทั้งหลายนะตัดสู้ในพระไทยในใจของผมรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอันนจจางทุกข์ังอนัตตาขนาดร่างกายสังขารยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดมั่นอย่าง อ, างอื่นว่าเป็นเนื้อหนังมังสาว่าเป็นยศถาบรรดาศักดิ์สามีภรรยาลูกหลา น, เ ง, นเงินคาทรัพย์สมบัติจะเป็นของเราจะเป็นของเราได้ยังไงเป็นของใช้ชั่วข่าวเท่านั้นเอง ไม่ใช่ของที่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละรับทำคําสอนของพุทธะนะพอถึงจุดนั้นเราต้องปล่อยวางอย่างนั้นแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ยังคลองธาตุขันอยู่เราก็ดําเนินไปตามธาตุขันที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เราจะไปถือว่าอันนี้คือเนื้อคือหนังเราจะไม่หนีไปไหนอันนั้นคิดผิดจะแล้วปิดมิจฉาทิฐิเมื่อเราเมอยู่ทางโลกเราแบบนี้อาหารละร่างกายเราก็ต้องมี อาหารจิตใจที่จะทั้รู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงปล่อยวางก็ต้องมีภายในพวกเราท่านทั้งหลายให้แบ่งแยกให้ออกว่าการเป็นอยู่นันคืออะไรทา ง, ทางด้านจิตใจนะ้คิดอย่างไรนี่จะพ้นทุกข์ไนวัตะสงสารได้ก่าววันนี้หลวงพ่อได้กล่าวเรื่องการแสดงธรรมต่อ อ, อ, องค์พระพุทธปฏิมา ที่พระสีหะสายญาตณภูกรอนแห่งนี้วันนี้เป็นวันที่20่ะมิถุนายนพุทธศักราชสองาร้อยาเการแถงธรรมวันนี้ไม่ได้ตั้งะโมแต่ถึงยังไงหลวงพ่อกัอนณโมอยู่แล้วนะะโมตัดสะพระวะตตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระเจ้าขอรอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหรันตรัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น หลวงพ่อนอบน้อมอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสโมโภชธนิยกถากันเห็นว่าสมควรกับการเวลาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฝังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลสิ่งไหนที่นาจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ก็นาไปเป็นข้อคิดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ แนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติเองหลวงพ่อเองเป็นผู้กล่าวหลวงพ่อมั่นใจมั่นใจในธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ของพวกเราจึงได้นำมักบอกกล่าวขายายผลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพราะว่าองค์ครูบาอาจารย์แต่และองค์ที่ท่านจุดตินิรภ า, านไปแล้วนั้น กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราเห็นตัตาตัใจอันนี้ก็คือกระดูกของพระอรหันต์เรามั่นใจอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ประกอบคุณงามความดีถึงจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางถึงจะไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสุข ก, กายสุขใจถ้า่าพ้นทุกข์ได้ ไม่มาเวียนไหวตายเกิดนะั่นเลิศประเสริฐที่สุดตามแนวแถวของพุทธะนะการกล่าวในวันนี้เ่าเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพะัะศีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบารมีพระพุทธปฏิมาที่พวกเรานั่งอยู่ต่อพระพักของพระองค์